ก็มีขนับของการเกิดขึ้นเมื่อได้คําตอบก็จะดับลงเช่นกันหรือถ้ายังสงสัยอยู่มีความคาใจอยู่ก็ต้องแปรปรวนไปอาจอ่ อ, อนตัวลงหรือเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมพอเห็นความไม่เที่ยงในกายใจเสมอๆจิตก็ยึดเลิกมั่นสงคัญผิดเลิกมองว่าสิ่งนั้นๆเที่ยงเลิกหลงเขา ว, ว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนพอเห็นยังต่อเนื่องมากเข้า